ที่ต้องพัฒนาตัวเองไดให้เกิดประโยชน์อย่าให้มีโทษเราอยู่ในโลกนี้เราพึ่งภาอาศัยหลายอย่างดินฟ้นาอากาศอาหารการกินพึ่องนุ่งเครื่องห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโกแเราก็พึ่งพาอาศัยกันด้วย เจ็บไขได้ป่วยต้องพากันแม่เราอยู่ที่นี่ก็เพิ่งพาใสกันไม่ใช่เราอยู่คนเดียวแต่น้อเราก็ต้องมีนี่บนคนของพระพุทธเจา้าที่มีจีวร น, นุ่งห่มมีผ้าขาวนุ่งห่มผลผมอยู่วัดศาสนาสถาน ไม่ข้าวมีเินทบาทด้ฉันเตะห้องเดะกองเป็นทบาไม่คู่คนมาช่วยเรามาให้อาหารการฉันวันนี้ก็ข้าวันข้าวขายศาสเสร็จไปแล้วชาวบ้านเขาทำบุญรวมยอดเป็นศาตรลาวใ้วันเป็นเดนินสิบก็เป็นศาสตร์ไทย งานทำบนชาวานจบไปตามการีสิบสองกองสิบสี่แต่พวกเรายังต้องทำอยู่เราได้มาที่เขามี้ศรัทธามาให้เราต้องถือว่าใชยความดีของเขาเวลาจะนุ่งหอมจีวยวก็พิจารณา เย่อลังปาิพุตังเวลาฉันก็พิจนาอาหารละเนทปาตังเราอยู่อาศัยเซนาสนาปาตังเราไม่ยกปิยารักษาโลกก็ขีณาไปตังแเราจะครบจะฉันไม่ใช่เราได้มาเองมีคนมาให้เราถ้าฉันไม่เป็นก็เป็นบาป แำเมื่อวานนี่เขามีสลา ก, กพัดาเวนเพาเ ว, า ว, าเวนนี่พาเวนนี่เพื่ออุทิศแต่ยังเปรตชนปล่อยเชือกตูปชีวีก็ไม่ได้มีความมุ่งหมายจะให้เราสักครึ่งหนึ่งให้เปรตชนครึ่งหนึ่งซะเราจะฉันอาหารที่เขาพาเวนจลากพัด ไม่เหมือนสังฆทานตามทำไว้ในแล้วก็อุปโลกจึงฉันได้ถ้าฉันไม่อุปโลกก็กลายเป็นเปรตดได้นักบวชกลายเป็นเปรตดได้ถ้ายังมีอุปโลกอุปโลกคือแจกตามทำไว้ในแต่ที่นี้เราไม่ได้แจกแบบอธิการเจ้าอาธิการเจ้าอาธิการหัวแจก ก็คือเจ้าวาดนั่นล่ละเรียกว่าพระอธิการเมื่อเป็นเจ้าวาดก็เปลี่ยนชื่อว่าเป็นพระอธิการยังไม่เป็นเจ้าวาดก็พระภิกษุพูดดูแลสงฆ์ทนนี้ทุกวันนี้ก็เรินของที่ชาวบ้านอุปโลกให้แล้วจัดมาเป็นภาชนะมาวางไหวบนโต๊ะเอาจัดบาแล้ว แล้วก็เราก็ไปรับแจกที่หลังอีกที่นัง่งไม่ใช่ของที่ทิ้งข่้งมีคนมีศรัทธานามาไม่ต้องแจกไปบินทาบาทก็ไม่ต้องมาอุปโลกอีกมีจิตฉันได้เวลาบินทาบาทก็มาของที่ตกในบาทอย่าพึ่งไปให้ใครให้ตัวเองพิจารณาดูก่อนเขาประสงค์จะให้พระสงฆ์ บินท้วบาทได้มาเห็นลูกเห็นหลานพวกขนมอบอกจับบาทให้ลูกให้หลานอันก็ถือว่าผิดวิ น, นัยต้องพิจาราก่อนพิจารณาแล้วจะเอาอะไรก็เอาซให้เหลือนั่นก็แก่คนอื่นอยากหวงบริโภคคู่เดียวนี่เรียกว่าอุปโลกชาวบ้านอุปโลกให้เอามาวางเป็นภาชนะ าวางใส่ถ้วยใส่ชามให้พวกเราอันนี้ไม่ต้องอุปโลกแต่เรายังจะต้องบริโภคด้วยพิจารณาเนืองเนืองว่าเวลานี้เราจะฉันวิธบดเพื่อจะไงเป็นไปเพื่ออย่างไงไม่ได้ประมาทาต้องใช้นี่ไปเรื่อยๆการใช้นี่คือปีนดาวางที่วางแหง เราฉันพระทั้งหลายก็ต้องถวายพระพุทธถวายข้าวพระพุธก่อนกลงเมือขึ้นว่าอิมังสาทุปังสาดิดังโพชานังอุตะกังวลังพุทธเจ้าบุเคมะถวายพุธเจ้าแล้วแล้วก็เสสังมังค่าญาจามิรับเศษพทธเจ้าเหมือนกับม่ความรู้สึกอย่างนั้นอาหารที่เราฉานได้มาจากพทธเจ้า ถวายพระเจ้าก่อนจึงมารับเศษที่หลังไม่ใช่โมมามันนี้ก็เป็นเรื่องของพระสงฆ์นักปวดเราให้ฉี ด, ด้วยญาติโยมที่อยู่ในวัดนี่ทุกคนด้วยจึงไม่ควรประมาทสิ่งที่ไม่ประมาทที่ดีที่สุดคือปฏิบัติธรรมนี้ให้มีความดีตอนที่นั่งให้คนกาบไหวพอที่รับทักทานทักขีทานชาวบ้านได้ ถ้าไม่มีความดีมาชี้เห น, แนงแทงใจปกปิดซ่อนเลสจนครเป็นบาปต้องมีความดีที่จะอยู่เ ส, น, สนาชนะที่เขาสร้างให้ที่จะนุ่งห่มจีบรที่เขาหามาให้ที่จะคอบจะเขียวต้องมีความดีมีศีลมีธรรมให้เป็นเนื้อนาบนของโลกศีลธรรมไมเราไม่เป็นดีก็คือปฏิวัติธรรม มีการศึกษาปฏิบัติเนี่ยพวกเราจึงอยู่ด้วยกันแบบนี้เราไม่ได้ฆ่าขายไม่ได้มีอาชีพอะไรผลประโยชน์เรื่องอันใดที่เกิดจากพวกเราที่อยู่ที่นี่ที่เป็นนักบวชก็เป็นของแผ่นดินเป็นของส่วนรวมสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราก็ควรจะมีบ้างอายุวิตของเราที่เกิดมา น้องก็ไม่เปลี่ยนตนไม่เปลี่ยนคนอื่นช่วยเหลือจึงอื่นวัตถุอื่นให้เปลยนไปในทางที่อยู่ที่ชอบพอจะเกิดประโยชน์ได้บ้างก็ภูมใจถ้าเราไม่มีอะไรที่เกิดจากเราเลยจะสอนสินสอนธรรมจักหน่อยก็มาได้แต่ชจ้าหน้อยเฉพาะตัวเป็นปาร์ิกับพุทธตายทิ้งไปเปล่า ไม่เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นเลย อ, อันนี้ก็ประโยชน์น้อยเราต้องมีอะไรหลายอย่างที่เราจะต้องให้มันเกิดความดีจากเราอย่างน้อยเราก็ต้องปฏิบัติทมนี่แหละเราไม่มีลูกมีหลานเลี้ยงดูเหมือนญาติโยมเขาไม่ได้ทำไรทำนาหาข้าวปลาอาหารมาทำบนให้ทาน แต่ทำบุญแบบมีศีลมีธรรมเป็นส่วนหนึ่งมีความสันโดดจะกินจะนอนโจงไหนก็ไม่กังวลไม่ป้องกันจนถึงให้มีปัญญาแก่กล้าเหนือการเกิดเจ็บเจ็บตายไปนูน่นอันนี้เป็นงานของพวกเรา มีแน่นอนการเกิดการแจกการเจ็บการตายสิย่งที่เราทำอยู่นี้ปฏิบัติทำอยู่นี้อันเพื่อการนั่นโดยตรงไม่ใช่เพื่อลาบสกระเสียงเสิร์ญโยไม่ใช่หมูมิตรพวกพ้องวริวาลแต่เจ้าระทิอลาลยงไปสู่มรกผลนิพานเป็นที่สุดหมายไปทางของนกบวดของศาสนาของพุทธศาสนา ยังมีงานของเราที่ทาเนี่ยเรียว่ากรรมฐานเรียว่ากรรม อ, าารอรรมิปัจจนากรรมาฐานให้เกิดผลรวมขนภาวะเก่าว่างไคหลงก็ไม่หลงบางอย่า ง, ค ง, ง, ง, งใครหลงเรื่องหนึ่งเรื่องใดเคยทุกข์เรื่องใดเรื่องหนึ่งเคยโกรธเรื่องอันนั้นอันนี้ผ่านได้แล้วเป็นชีวิตที่เหนือ ลดของโลกได้บ้างมีโอกาสยกมาไหว้ตัวเองได้บ้างให้เรามาได้อยู่เพศนี้ก็ยิ่งดีไปเป็นครว่าเจ้าจอมก็ได้ไม่เป็นไรแต่ผู้ที่อยู่ในเพศนี้ก็ทำเรื่อนนี้เลื่อยไปได้เป็นส่วนรวมตื่นเช้าขึ้นมาก็ไหว้พระชนมน ปฏิบัติธรรมชวนการสอนการบอกการทําให้ดูอยู่ให้เห็นเพื่อได้ฟังให้เป็นนิมิตพอเห็นได้บ้างถ้าไม่มีนิมิตเห็นให้มวโร่จะให้คนดูอะไรอย่างพระสีรัตถะเห็นนิมิตเห็นคนเกิดเห็นคนแก่เห็นคนเก็บเห็นคนตายแล้วก็เห็นสมณะ เห็นคนเกิดเห็นคนเจ๋อเห็นคนตายแล้วก็เห็นตรงๆอะไรที่มีนิมิตอีกเห็นสมณนะเห็นนักปวดก็เลยเออนี่ก็เป็นนิมิตอันหนึง่งน่าจะเป็นไปได้นักปวดก็ไั่ใช่เหมือนอยู่กับคารวะยอดโยมเด็กออกฉันโดดโสวตาย อยู่ป่าอยู่วัดว่าอารามณ์เอาใส่คนอื่นเลี้ยงชีวิตแต่ว่าไม่ใช่ปฏิพกอย่าโกกไม่ขอขอไม่ได้นี่แต่แสดงอุ้มบาทโม่ดินเดินไปใครจะให้ก็ให้ใครไม่ให้ก็ไม่เป็นไรได้แล้วมาก็สันโดดไม่ได้ ก็ตือเรือ่องถ้าข้าวเหิวก็ต้องเหนียวล้าร้อนก็ร้อนถ้าหนาวก็หนาวบางทีก็ไม่มีการป้องกันตัวได้เพราะเราไม่มีอะไรมีอะไรไม่ได้สตาวุธก็มีไม่ได้แต่ตาคืของมีคมอาวุธคือของคมทังม้งปลายแหลมแต่ว่าอาวุธไม่ใช่ของพวกเราเป็นนักปวน นักบวชก็มีบาทมีจีวรเป็นสมบัติของเราญาจะโมอาจะงามในการสร้างบ้านสร้างเรือนก็ถูกเิ่งขงแต่พระนี่นักบวชนี่มีงามที่สุดคือบาทกับจีวรตอนจีวรใหม่มาเป็นมันเป็นอทธิเลธ ก, กัะลา ถ้านอกอธิษฐานเรียว่าอาธิเลกเกิดขึ้นแล้วนี่หลายไกลไปโทรไปหาเพื่อนในจีวรไ ม, ม้ไม่มีก็มาเอาได้ที่นี่มีผ้าหลายตายที่ไม่ได้ใช้ก็มีคนมารับมีพระมาก็ให้ลายให้หวงวัิพภคคู่เดียว อันนี้ก็คือแบ่งกันเราไม่มีอะไรที่เป็นสมบัติของเราเพื่อได้อาศัยอาศัยเข้าสุกน้ำแกงชาวบ้านแต่เราก็ไม่ไประมาทวังทีก็ดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นที่อาศัยด้วยก็ททำถนนใหม่ตอนตีที่มืองบานเราเนี่ยคอสะพานขาดแล้ว เราทำงางเป็นโยธาได้ไหมพวกเราไปช่วยกันอะเอารถไปทุกก้อนหินมาลองคอถนนสะผานตรงนั่นเนะอีกไม่นานนะเราจะขาดเลยจะลำบากถ้าไม่แก้ไขซะเสียน้าเสียยากเสียมากเสียง่ายเคอลำบากมาแล้วเป็นเกาะไปไม่ได้ อ้พีเนี่ยน้ําท่วมเคยมีเหมือนกันตดเข้าสองวันก็มีแต่ก่อนด้บาบลำบะเทาเนี่ยมันมีท่นสูงเยอ ะ, ยอะแยะเวลานามม้ำหลากมามันไหลไม่สะดวกระหว่งางลประเทากับฝายวัดนี่ยเสมอกันเลยน้ำท่ว ม, มทุผมแถวเนี่ยเป็นวัวควยตายบ้านเดือนเสียหายมากสมัยก่อนเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแมนวะระยก นั่นท้าสะพานตอนนี้ขาดทำไมนะสะพานตอนนี้นะหลงตาเป็นคนดขอมาเองนะเป็นหมเราอยู่ในเกาะแมนว่าพ่อเปรมไปทำสะพานป่าสักดิ์น่นนะทางเดินของพวกเราพ่อพาจะว่านไปทํโน่นนายเฟอมาเห็นโอ้เอาปานี่เลยลุงพ่อเอาปานี่แล้ว啊 ไม่มีทางแล้วกดเข้ามาหลายวันแล้วอเอ้ยถ้างั้นผมจะพาหาพู้ว่าไปก็ไปสิบะไปเลยหาพ่ว่าเขาจะไม่เข้าประตูหาพ่ว่าแขานั่งอยู่มาทาไมหลวงตามาหาพ่ว่ามาทำไมล่ะมีเรื่องอะไรบอกเราด้วยโอ้เดือดร้อนน้ำท่วมไม่มีทาง ไปมาหาสู่อยู่ในเกอบเป็นอาทิตย์แล้วว่าก็เข้าไปหาเออเลยขาเข้าไปหาผู้ว่าท่านนายเพอเนี่ยผมเป็นพายหลวงพ่อมาบอกเลยข า, ขาก็กบเป็นนายเพเชจ้งข้อเองฝาเข้าไปแล้วว่าก็ตอนรอบจอ่างดีนาำเพอป่าไปนะ่าเข้าไปก็กานผู้ ว, ว่า น้องพ่อเดือดร้อนชาวบ้านไม่มีข้าวจะกินแล้วน้ำท่วมหลายวันแล้วเหลยลอยด้าำลอยทำสะพังกระจมีเดือนลาหนังใช่ไหมอยู่ในวัดเนี่ยไปอยู่ท่าโ น, น้นบ้างท่านี้บ้างคนเหลือคนไปข้ามไป เ, เ, เ, เด็กเล็กๆําหนังแต่นี้หายไปไหนไม่รู้นะ <laughs> เดี๋ยวัดลําหนังกลุ่มศึกษาเสื้อมาให้พอได้ข้ามลำปะทาวิ่งบาท เอ้ว่าก็บอกว่าเออไปเรียกโยธามาไอเมอไปเรียกโยธามานี่โยธาก็มานั่งโยธาน้อ no งท้องสะเปรนะพ่อเจอกันได้ไหมที่ไหนเขาบอกว่ า, าใหม่ป่าสุโกโตโนองามทั่วหมอยวกันแล้วต้องไปดูก่อนไปดูสิไปดูแล้วมีไงมาบอกเรานะโยธาก็มังอ่ะ ถายเพื่อการตำรวจเขียนแปลงมาทันทีแต่เนอเพรว่าพว่างบงงานให้มาก็าจะทางป่าศักนะแม่บอกหลวงพ่ได้แบบมาแพราว่าให้มาวันที่สวดกอยากมีทางนี่ทางไปเรียนเด็กน้อยมีโรงเรียนเอาทางนี้ดีกว่าหลวงตาเลยให้แม่สวดมาซื่อที่ต้าว่องตัวนตัดทางไปถ้าไม่ซื่อที่ไม่มีทางเลยนะ เรายังเป็นก่อนนะให้แม่จวดมาชื่อที่ตรงห น, นตัดทางทะลุไปโนนเอามาโรนั่นเลยนะน้าเพอเอาลูกชายมาบวชที่นี่ท่านน้าเพอหลวงพ่อเดือดร้อนมาไปเอาเบอที่ไหนต้องหลงเขาไปกระเกษตรจมวนมก่อนขึ้นต่อเจษตรใช่ไหมเอาเบอระเกษตรจมวนดั หลวงตาไม่อยากเป็นคนอำเภอเกษตรสมบูรณ์อยากเป็นคนอำเภอแจ้งข้งอจะทําได้ไหมวะเอาอย่างไงเดี๋ยวนี้มันเขตเกษตรสมบูรณ์กับเขตแจ้งข้อมันลำบากทาวน์นั่นอำเภอแจ้งข้อมีหน้าหาแถวนั่นเองแต่ทั้งนี้เป็นของเกษตรหมดเลยสิบเปอร์เซ็นตปของอำเภอแจ้งข้อ หลวงพ่อเจ้ะยังไงจะเอาโน่นหระผูเข่อผูคีล้อมห้อยยางลงไปลาดพผน้ําไปหร อ, หนอเนาะเขตแจ้งข้ออะไรไหมไ ด, มได้ผมจะไปขอกับทหารที่นี่เป็นที่ทหารนะไปขอทหารแล้วตัดแผนที่เลยเอาออเ ล, งลองออดตั้งได้ปั๊บได้แล้วหลวงพ่อว่ตั้งได้ก็ตั้งบ้านใหม่เป็นหมู่บ้าน ขึ้นมาบ้านท้าวเบอร์ไนเป็นหมู่บ้านขึ้นมาตัวผู้ใหญ่คนแรกก็คือผู้ใหญ่สวนเนี่ย <c oughs> ก็พ่อมีผลบางบุก็มีผลบางแต่ก่อนก็หนุมเนาะแต่ น, นี่ไม่ได้แล้วพอทยอ ย, ยก็หมดเลี้ยวหมดแรงก <c oughs> าอาดีตลำเล็กนะเมื่อนไปล่องเพลงให้ชาวบ้านท่าไฟหวานฟังสามเจ็กว่าปีก่อนเป็นพระ น, นม ตั้งกลุ่มเยาวชนยุวว่งเหยียดตามทางจากหน้าโรงเดียนบ้านโก้งโรงหน้าผาไม่จัดทางลงเหนะ่ตอนเย็นนี่ก็ติดตะเกียงมาเอาคนหนุ่มกับสาวขุดทางไปเลยตัดทางไปเลยได้ตามทางลงเขาไปขอซื้อระเบิดกําลังเพออีกแล้เนะี่ยนั่งเพอว่าอยากได้ระเบิดนินระเบิดมาระเบิดภูเขาแนละ้ว จะซื้อที่ไหนเอาละเบิดมายัางไงเอาละเบิดมาเห็นเขาโจกแล้วเบิดหินเนี่ยจะทํา ท, ทางของเขามันไม่ได้ผิดกฎหมายจะไปชื่อดินละเบิดมาไม่ได้ผิดกฎหมายเขาถ้าไม่ซื้อก็ต้องไปเอาไฟเผาเหินเราก็ทุบยิตไปยังไงจะปรากฏร่งางผาใช่ไหมก่อนทําทางของเขามันลําบากมาก าเขาขึ้นเขาแม่บอกแม่เพี้ยนเพลงว่าหางงไฟสําผาสขึ้นเขาเลยว่าจะลงนี่นะผนสิสผลได้ทางโน่นไปเลยนั่ก็ร้องเพลงไอเจ้บบ า, าบ้านฟนะังเมื่อวานเนี่ยนดีดล่ำดึกอยากฟังเพลงล้องตาไหมสามสิบกว่าปีตั้งผมโยชน้ า, าไฟฝานเราดีจริงหนาะ วัดนำพาฝึกหาดกายใจชาวชนชายหญิงทั่วไปร่วมจิตร่วมใจและค่ายสมาธถ้ามาไปหวานเราดีจังเอ๋ยเป็นดึงในเลยดินเด่นสุกสรนถ้ามาไปหวานไม่มีชนชั้นไปมาหากันได้อย่างสบายถ้ามาไปหวานเราดีจึงหนาะลำบะเทาไหลามาไหลามาไม่ขาดสายเหมือนหนึ่งดังทานน้ําใจร่วมจิตร่วมใจและค่ายป่องดอง ก่อนก็เด็กก็ร้องเพลงกันนะหนมสาวร้องเพลงอะเดี๋ยวนี้จําไม่ได้หลอกคนทั้งหลายลว่าเราสร้างเพลงขึ้นมาเอาหนุ่มสาวโยวชนมาเข้าวัดเข้าวากันรถหลมสองสอนก็สนุกไปตามคนบ้านเขาบ้านป่าขาดงไปเอาดินมาถมจลาลาหน้าเราเนี่ยไปเอาทรายนะไม่มีรถดั้มเหมือนทุกวันเนีนะ อาหนุ่มสาวบ้านใหม่บ้านกุดงอเอาร่อน้าไปเข็นขึ้นมามาถมมาปลานะูกชะลอเนี่ยโอ้จอเจ้ากนะ่อนเจ้าหนานี่ขนาดทางเท่านี้แล้วไปทไําไม่ได้เลยอ่อนแอเลยทุกวันแนมีนอบตอเหลยจานนกกาลังจะไปทําถมทางนะแต่นี่อบตก็ลับอกว่าจะทำเอง อันดินลาดยางแค่เนี่ยเอาจอบไว้เอาฉีกไปขุดก็แตกแล้วไอเ้เครื่องตัดอยู่เป็นเดือนเราไม่เสร็จแล้วตัดเฮ้ยมันไปไหนหมดมือพคนนะอ่าหน้าสงสารปัญญาอ่อนแล้วคนทุกคนนะจับจอบจับมีดจั บ, จ บ, จบเสืองไม่เป็นแล้วไปไหมพวกเราบ้านใหม่ก็ผู้ใหญ่ก็ทยกเอารถพกก่อทยกไปหา ตัดไม้ขอไม้อยู่คามาสักเป็นเขื่อนนะถ้ามาแยกไข่จะเป็นเกาะ น, นะบ้านเรานะเอาไม้โยคามาตัดเป็นเถื่อนเป็นเขื่อนก็ไปลงซักลงตะลกก็ทําเป็นขวง n g ใบไม้ให้น้ําไหลซอกก็มาไปดูไหมเดี๋ยวเนี่ยมันเข้ามาครึ่งเหนือเรานะถ้ามันหักลงมาไหนทําไงนะต้องป้องกันเสียก่อน เมื่อผลหน้านี่ก็ซุกแล้วมันมาอีกสองหัวก็หมดเสร็จเลยเราอันนี้ก็พูดเล่นไปให้ชาวบ้านนะถ้าพระทำไงพระอายชาวบ้านนะแต่มันอดมาได้บางโอกาสแต่ก่อนน้องตาเคยไปเอาหินถมทางแถวหน้ารถติดนะมันจะบังงวดเดี๋ยวนี้มันกทํ า, อาทอบพอของเป็นเจ้าของ ขอหน้าของตาเขาก็ไม่ดีแนละ้วให้พ่อทยกให้ผู้ใหญ่บ้านบอ ก, กอบตบ้านใหม่ไป ท, ทําสักหน่อยก็ดีนะแล้วไม่มไหม้ก็มาเอาอยู่ขาไม่ว่ า, าก่อนเราขออยู่ขาเขากอจัดตาแหลมๆ แ, แล้วก็ตีลงตีลงตีลงตีรองหลองตาเคยไปทําเกล็ดเตาะทับนิ่งขวดนะน้ำไหลซอกอยู่นะ ขนาดน้ำเลยเนี่ยแรงกว่ากันนี่แต่ครองนิดหน่อยไม่ต้องอาศัยรถอะไรเราทำกันเองอันนี้เราก็เพื่ออยู่รอดของพวกเราใช้วถน น, นทางใช้น้ำใช้ดินใช้อากาศอะไรที่เกิดจากพวกเราในต้นนี้สมัยนี้อย่ากจะนีให้แสดงออกร่วมกัน ชาวบ้านเป็นชาวบ้านมีพ่อมีแม่ลูกหลานตู้ใหบ้านกำนันในวัดว่าอารามนอกจากนั้นเรามาช่วยตัวเองให้เหนือเก่าเกิดเจ็เจ็บตายเนี่ยมันเรื่องงานของเราอย่าอยู่นิ่งๆถ้าเราหลงอยู่หรือว่าเรามีงานขาดโยงานที่ต้องทําถ้าเรามีทุกอยู่หรือว่ามีงานอยู่อย่าประมาทในทุกอย่าประมาทในหลง มันไม่ทุกก็ได้ไม่หลงก็ได้อยู่ถ้ายังมีโกรธมีพอใจไม่พอใจอยู่มางานก็เรามีอยู่แค่นี้เหลือเราจะต้องเกิดบานท้งชาติจะให้มันหลงจนตายทุกข์จนตายโกรธจนตายเหลือถ้าเราช่วยตัวเองได้แล้วก็ช่วยคนอื่นได้อยู่ไม่ได้ถ้ารู้จักช่วยตัวเองแล้วโอ้ยคิดห็นคนอื่น ยังแต่หลงตามีพระตายีวันก็โทรไปบอกเพื่อนเรามันอดไม่ได้ที่ให้คนเดิอนอันเรามีความจุความไม่หลงไปโกรธนี่ทำไหมจะมันอดได้จะต้องบอกกันต้องสอนกันดูแลกันสอนเฉยๆไม่พอต้องมีที่อยู่อาัยร่วมกันเรานึกเราก็มีเพื่อนมีพระสงฆ์อาจารตุ้ม ตอนนี้วัดเราสร้างมานานถูกก็เสื่อมโทรมกต็ติทุกหลังซ่อมเกือบหมดแล้วตอนนี้มีสร้างช่างซ่อมกติยลด้วยสามกลุ่มสามหลังไม่หยุดมาย่อนเลยเพราะทยกยสี่สิบกว่าปีแล้ววัดเรานะมันกําลังสุดโสมเยอะแยะแล้วเอาแต่ช่วยดูแลกันไม่ใช่เพื่อเราเพื่อพวกเราเพื่อลูกหลานเพื่อประเทศชาติเพื่อแผ่นดินนีน้ เราอย่าให้จนเราก็มีไม้ม่มือเหมือนกันอะไรดีอะไรผิดอันผิดก็บอกกันอันดีก็บอกกันหลงนั้นไม่ดีแน่นอนนะโกรธไม่ดีแน่นอนเป็นภัยต่อตัวเองเป็นภัยต่อคนอื่นด้วยแต่พราะเราเนี่ยก็ยังเป็นภัยต่อเราอยู่เราจะไปช่วยอะไรได้เรามีพ่อมีแม่มีลูกมีหลานเรามีเพื่อนมีมิตร มีสิ่งที่อาศัยเราอยู่ในโลกเนี่ยแต่น้องกระเด็นฝ้าอากาศอาศัยเราอยู่ธรรมชาติเราไม่ใช่ยิ่งใหญ่อกเราต้องให้มันเป็นประโยชน์บ้างอัฏฐิรฐาประโยชน์ยาตตะกิริยาประโยชน์แจกญาติพุทธจะกรยาประโยชน์แก่พุทธศาสนาโลตตะกิริยาประโยชน์ต่อโลก อจัจตเจริประโยชน์เจอตนบ้างเอาชนะความหลงได้บ้างเอาชนะความโกรธได้บ้างเอาชนะความทุกข์ได้บ้างอะไรที่เรายกมาว่าตัวเองได้นิดหน่อยก็โกรธผัวเมียกันยงทะเลาะกันไปทะเลาะกันทำไมเราอยู่ด้วยกันแล้วมีลูกมีหลานแล้วแลวแม่ลูกหลานเพื่อนบ้านเพื่อนเกิดเจ็บเจ็บตายด้วยกันยังจะมาอิจฉาเบียดเบียนกันไง ไม่มีใครบบงก็เบียดเบียนตัวเองอยู่แล้วต้องเกิดต้องเกิต้องเจิดต้องตายก่ อ, อนอาจารย์ตุ้มไปไปดูหมอป่วยเป็นโรคบะเร็งเราไม่รอดน่าหนาขนาดเป็นหมอก็ยังจะตายอยู่มันมีโรครูปโลกเดียร้องฉันกันเดีก่าพวกเราช่วยกันเถอะป่วยพร้อมกันกันกนกบอาจารย์วรเทพ คนที่มาปฏิวัติธรรมนะเปินเพศตะโกนเปิดควอมกันจานวัฏเทพจานวัฏเทพก็ไปแล้วมะเลงหนอเขเนี่ยก็เป็นมะเรลงตลอให้วันตายมาถึงรอให้บรรเก็บปัรแก่มาถึงเราเลยต้องรู้เรื่องนี้แน่นอนจึงจะสมกับเกิดมาเป็นมนุษย์ถ้าไม่รู้เรื่องนี้เราไม่มีอะไรที่ประเสรศิฐ เรียกมนุษย์เป็นสัตประเสริฐอย่าให้พลาดพวกเราที่นี่ก็ช่วยกันอะสอนกันอยาง น, นีเรื่องเงินเอาไว้ที่หลังเป็นกาที่เล็กมาส่วนเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ให้มาเถอะมาอยู่ด้วยกันจะเป็นจะตายอยู่ด้วยกันเดี๋ยวชุกยากลา บ, บากก็อยู่ด้วยกันนะอย่าไปเปรียบเทียบอะไรมากมายบางคนอยู่ดีมีสุขมาอยู่นี่ลาบากก็จะไปเปรียบเทียบ เอาอะไรมาเปียบเทียบให้เพอเราหลงที่ไหนลนะ่ะอยู่ที่ไหนก็หลงเท่าหลงอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ที่นหนถ้าเรามีมิตรมีเพื่อนน่ยก็ดีแล้วมาอยู่ด้วยกันนะ้วจะได้มีอะไรก็จัต้องบอกดูแลกันบ้างกาอยู่ใกลกันก็ดูแลกันว่าพวกเราดูแลกันมาทั่วถึงถ้าไม่เห็นกันก็ถามหาเมื่อวานในบอกว่าผู้เท่ายาวันล่มนะเป็นล่มเก็บไปแล้ว ขอหักไปคนต่างนะพอดีไปโรงพยาบาลออมารถกลับบ้านมาวานนะเอ็บอกว่าอย่าล่มไนล่ ม, ม, ลมทำไมจังลมละระมัดระวังนะถือไม่เท่าอันดาก็ถือไม่เท่านะไม่ทําให้คือผู้เท่านะไม่อยากเป็นผู้เท่าหรอกแต่จำเป็นต้องถือเวอาเดินมาธรรมดนะมันบางทีก็ตื่นใจใช่ไหมตีข้องเวลวรีบุกหมา มันก็ช่วยได้นะอาห น, น้าค้ท่อหนะอ้างว่าตนจะไม่จก่หรือต้องถือไม่เท่าบ้างนาะเจ็บแล้วขานีน้ยเจ็บไปแล้วเดินไม่ได้แร้วเอแม่ทองคำถามก่นเมาจากงรงพยาบาลขึ้นเลิกขึ้นไม่ได้นะบอกว่าอย่าร่มอย่าร่มให้ละบันระวังนะดินวัดเราเนะี่ ยังใหม่อะไรมันเก่ามันก็ขึ้นแต่ไขนะ่น้ามันไม่ลื่นด้วยไม่ใช่ขลอนจีดมันมีสะดุกสะดิกพิกนิดหน่อยก็ล่มแล้วคนเจเน่ะแนวอานทางต่งไหนพอช่วยกันก็ช่วยกันถมหลุมสมหมอบ้างเพื่อคนเจ่บ้างไม่ใช่เราคนหนุ่มไปไหนก็ได้นะสงสารคนเจ่บ้างเห็นตอเห็นหลักอยู่ตรงไหนคดออกตอที่เหะ ต้องกันพิษภัยที่เกิดขึ้นโตกันแล้วกันอะไรอยู่ตรงไหนให้ดูแลที่ิยาบถปลอดภัยไหมทางเดินไปเดินมาอาหารการกินปลอดภัยไหมพ่อที่ปรุงอาหารก็ให้สะอาดล้างมือดีๆอย่ามักง่ายโรคจินอาหารก็อย่ามั่ง่ายมอมมาให้รู้จักเลือกว่าอาหารทุกวันเนี่ การซื้ออยู่ซื้อกินระวังให้มากโดดอีตงเตงเนี่ยใครเป็นคนทาให้เราอาหารปัดปัดมันๆอย่าให้มีกันเกินไปสิ่งที่ทอดแล้วทอดอีกหน้ามันอันแล้วทอดแล้วทอดอีกอันตรายเป็นทำให้เกิดโรคมะเร็งได้ตามหมอบอกหอยกินละร้อนกินร้อนนอนอิม่มร่างมือ กินร้อนอะไรที่เขาเขียนคํารงไว้แก้ไขบัดสมัยใหม่กินร้อนล่างมือเราทำไมต้องล่างมือไว้มีต้องล่างเมื่อวานน้องต า, างเห็นเ่าล่างอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาเลยนักเรียนจำความจอดโรงพยาบาลนุวันนี้ก็เปลี่ยนทิศ ท, ทางใหม่ไขวัดป้องกันหลองตาไปประเทศจีนเนี่ยเขาขังไว้เครื่องบินเลย ไม่ได้ลงเครื่องเบินเลยไอ้แพทย์ชุดเขาใส่โมงมาขึ้นมายิงไฟใส่ยิงไฟใส่ร้งองตาหรือว่าอะไรไม่เคยเห็นนะนั่งอยู่บนเก้าอี้บนเครื่องวินออกมายิงไฟใส่เราเขาผ่านไปคนละคนเป็นร้อยกว่าจบมันเป็นชั่วโมงว่ยิงใส่จานู๊้ดเขาจับไปเลย <laughs> เอาไม่ออก สนามบินเลยลงมาแล้วพอกจะถามบินเขาวิ่งมาจับแขนขึ้นไปเอา้าวอะไรน้องบอกหนิว า, ายืนอยู่รอจานนดไปเห็นมันต้องต่อเครื่องบินสองเที่ยวอสองต่อไม่เห็นจานนดมาต้องบอกล่ามไปดูแลที่เอะจะออเครื่องบินจะออกเวลาเนี้ยทางบินเครื่องนั้นก็จะออกเวลาเนี้ยถ้าไม่รีบกเพราะไปท้องทิ้งกันหรือเรากับจานนด <laughs> อ๋อก็เลยบอกว่าหนูจะดูแลคนร่างก็ดูแลเอาไปดูแลนะเขาเลยก็เดินไปหาขึ้นรถอีกตอดนึ่งที่ไหนวะันดีมาทันนะพอดีโอ้โหโอ้โหว่า เ, เป็นอะไรล่ะวะไม่เป็นอะไรเลยล่ะเขว่าร่อนบอไว้าเดีวแหละไม่รู้ว่าเป็นอะไระตัวร่อนเข้าไปนั่งเกู่วพักผ่อนนหน่อยเขาก็ปวดีขึ้นึ่งอ่ะปวดัดยแล้วมันทําท่าอะไรก็ไม่รู้นะจะน้องก็แข็งแรงกว่าหลวงตานะ แตไม่เ็จอย่างนี้เขาจับไว้ไม่ออกไม่ออกด่านเลยนะอันนี้แล้วก็ล่างเมือเราจับประตูร่วมการเราจับราวบันไดร่วมกันกินข้าวกนหารล่างมือทีไอนนทีไปล่ำยาด้วยใครไป ม, มีไปขอหลวงตาที่กะติมีสองอันไอห้องน้าอันหนึ่งไอที่ทํางานอันหนึ่ง มอชื่อมาให้ร่างมือให้สะอาดนะตัดเล็บมือดีๆที่แบบทนอนให้อย่าให้มอมมามซักผ้าซักผ่อนเดินไปเดินมาละมัดละวังอย่าพุนผันผันแล่นตัวเท่าก็เจ็บไปแล้วอย่าจีบอีกนะระมัดระวังสิ่งที่ประเสริฐที่สุดคือมาลูดตัวเองแย่ตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้น มีงานมีการแลหลงก็รู้เลยไปให้มันรู้สึกตัวอยู่กับการใช้ชีวิตประจำวันของพวกเราโดยเฉพาะชาววัดเรานะไม่มีอะไรไม่มีอาชีพอะลรใคร่าที่นี่ถือว่าเป็นชาววัดทั้งหมดใครก็หลงอะไก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีด